Book 2สิเจ็ดารอบบ้านทีบ้านของเราอยู่ที่นี่หลังคาอยู่ข้างบน ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง унизе п ป д ดว л ลมีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน за ด о ม о ม Сад ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน е р ร д ด о ม о ม Няма ด о ร о ย и มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านกลดมราตูจรม อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่วูซมายากวเทระห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่วูสกุชเนียอีวันนิปะคุยห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ตามจิลีปะคุยอิสพัลเนประตูบ้านปิด ป в е ตแต่ดแต่หน้าต่างเปิดแตนนาา่หน้าต่างเปิดแต่หน้าน้าตางนาต่น้งน้าางเปาต่าง้างป่หน้างหน้่งเป่นาต่า้างปแ่ห้างน้างเ่หน้มต่้งิ่่ปน้า่แนเ้า้นต้ง่่น่น т а า е ย т ь к а н ค п а и к р ล с л รเชิญนั่งค่ะแสดงใ т ้เธอคุริลลัสก์คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นทาสตมยคอมพิวเตอร์สเตริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นทาสตมวยมุสเซนเตอร์ ชุดทีวีเป็นของใหม่ทวิน